วันนี้เป็นวันพระรหัสสบดีที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดสำหรับภาคเอกชนแต่ภาคทางราชการยังต้องทำงานกันอยู่จึงมีประชาชนบางส่วน ที่เป็นผู้ฝ่ายธรรมที่สนใจในธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำมาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่จิตใจ การฟังธรรมที่นี่ตอนนี้ก็ได้มีการปรับปรุงนิดหน่อยเคยปกติจะเคยแสดงธรรมประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นสองส่วนครึ่งชั่วโมงแรกก็จะเป็นการแสดงธรรมส่วนครึ่งชั่วโมงหลังก็จะเป็นการนั่งสมาธิ เพื่อที่จะได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนคือฟังธรรมก็จะได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิได้ความเห็นที่ถูกต้องได้ความรู้ที่จะนำอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขส่วนที่สองคือการนั่งสมาธิก็เพื่อให้เกิดความสงบสุขของใจ ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนได้ทั้งปัญญาได้ทั้งสมาธิสําหรับธรรมที่จ ะ, สะแสดงในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมนี้มักจะมีอุปสรรคขวางกั้น ผู้ปฏิบัติอุปสัตมนี้เราเรียกว่านิวรณ์ซึ่งมีอยู่ห้าชนิดด้วยกันไม่ได้หมายความว่าจะมีผู้ปฏิบัติทำจะมีทั้งห้าชนิดนี้หรือจะมีพร้อมๆกันทีเดียวทั้งห้าชนิดนี้อาจจะมีชนิดนั้นบ้างชนิดนี้บ้างขึ้นอยู่กับภาวะของจิตใจ ของผู้ปฏิบัติเองแต่ก็ควรที่จะทำความรู้จักเผื่อมันมีอุปสรรคคือนิวรณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่จะปฏิบัติธรรมในขณะที่จะนั่งสมาธิจะได้รู้จักวิธีแก้ไขเพื่อที่จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติต่อไป อุปสรรคที่ขวางกั้นการปฏิบัติธรรมนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันเรียกว่านิวรนห้านิวรนนี้คืออุปสรรคขวางกั้นการปฏิบัตินิวรนข้อที่หนึ่งก็คือความนังเลสงสัยในพระพุทธพระธรมธรมพระสงฆ์เป็นนังเลว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคสอนที่ เป็นความจริงหรือไม่สามารถรับประโยชน์ได้จากการปฏิบัติตามคำสอนหรือไม่ความสงสัยในในตัวพระอริยสงสารกว่ามีจริงหรือไม่พระสาวกเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่นี่คือความสงสัย อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ บ, ตบางท่านบางเวลาก็ได้ mm hmm. ข้อที่สอง mm hmm. คือความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ mm ่นลดผธทพะคือบางทีเวลาจะนั่งสมาธิ mm hmm. ก็เกิดความอยากจะไปดื่มกาแฟไปกินขนม mm hmm. ไปดูหนังไปฟังเพลง mm hmm. หรือไปเ่วมหลับนอนกับแฟนอย่างนี้ ถ้าเกิดความยากอย่างนี้ขึ้นมามันก็จะมาขวางกัน้นการปฏิบัติทำได้ mm. ข้อที่สามนิวรคือความโกรธบางทีเราไปมีเรื่องราวกับใครมาก่อนที่จะมานั่งสมาธิโกรธเข้าแล้วความโกรธนี่ก็ยังคู่กลุ่นอยู่ในใจยังฝังอยู่ในใจยังไม่ยอมหายจากใจ ทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบได้ข้อที่สี่ก็คือความง่วงเหงาหาแนอนความเกลียดค้านความอยากนอนมากกว่าสำหรั<ม>า บ, บางท่านเวลาจะนั่งสมาธิก็เกิดอาการง่วงเหงาหาแนอนอนขึ้นมามแต่เวลานั่งดูภาพยนตนี้ไม่ไม่ง่วงไม่ไม่เหงา แต่พอจะนั่งมานั่งทำสมาธินี้เริ่มหาวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นหนูประสาทข้อที่สี่ส่วนข้อที่ห้าก็คือเวลานั่งสมาธิแล้วใจกับคิดฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดไม่รู้จักหยุดจากย่อนจนไม่สามารถที่จะทำให้ใจนิ่งสงบให้เป็นสมาธิได้ นี่คือนิวรณ์อุปสรรคขวางกันห้าชนิดด้วยกันในนิวรณ์แต่ละชนิดนี้ก็มีวิธีแก้เช่นข้อที่หนึ่งถ้าเรายัางําลังเลยสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมคําำคำสอนนี้เป็นความจริงหรือไม่ภาลยะสงสารุกนี้เป็นความจริงหรือไม่เราก็ต้องศึกษา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากขึ้นศึกษาพระพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนที่ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันทรสงสอนอะไรบ้างแล้วก็แล้ก็ให้ศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกทั้งหลายทั้งในอดีตและในปัจจุบัน อดีตก็พระสาวกที่มีชื่อมีเสียงเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนท์ปัจจุบันก็พระอาจารย์พระเกจิอาจารย์ต่างๆเช่หนหลวงปู่มั่นหลวงปู่แอนหลวงปู่ขาวเป็นต้นศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์เหล่านี้แล้วเราจะรู้ว่าเป็นเรื่องจริงมไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาโกงกันขึ้นมา แล้วความรังเวสงสัยในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ก็จะหายไปได้นี่คือวิธีหนึ่งรุ่งต้นก็ให้ศึกษาก่อน <c oughs> ศึกษาแล้วก็ต้องน้อมเอามาปฏิบัติทำตามคำสอนเช่นว่าให้ฝึกสติให้นั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเราจะเจอความความสุข ที่เหนือกัความสุขทั้งปวงก็ลองปฏิบัติดูลองเจริญสติดูลองนั่งสมาธิดูแล้วก็อาจจะได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นมาอพอได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วทีนี้ความสงสัยนี้จะหายไปเลยทีนี้มั่นใจแล้วว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นของจริงพระธรรมคําสอนนี่เป็นของจริง พระริยสงสารกของเป็นของจริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมที่ทำให้จิตใจของพวกอรหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วหลังจากนั้นก็ทรงเอาพระธรรมนี้มาสอนให้กับผู้ที่สนใจพอผู้ที่สนใจได้ยินได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมขั้นต่างๆหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆไปจนถึงขั้นสูงสุดได้ อันนี้ถ้าได้รับผลจากการปฏิบัติแล้วความสงสัยนี้จะหายไปหมดหลังจากนั้นเราจะไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปมีแต่ความเพียรพยายามที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นให้เกิดผลมากขึ้นไปตามลำดับเท่านั้นนี่คือข้อที่หนึ่งของนิวรณ คือความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่สงสยัยเพราะเรายังไม่ได้ศึกษามากพอเราไม่ได้เรียนรู้มากพอ<ม>เร า, า จ, จะได้เรียนจากคนนั้นคนนี้ได้ยินจากคนนั้นคนนี้บ้างแต่เรายังไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง<ม>ก็ควรที่จะหาหนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธประวัติเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเกี่ยวกับพระประวัติของพระอริยะสงสารุกมาศึกษามาอ่านกัน แล้วต่อไปความรังเลยสงสัยนี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับอันนี่คือข้อที่หนึ่งของอุปสรรคที่จะขวางกั้นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ได้ปฏิบัติ ถ, ถ้ารังเลยสงสัยแล้วมันก็จะไม่ทุ่มเทกำลังจิตกำลังใจให้กับการปฏิบัตินั่นเองเมื่อไม่มีการทุ่มเทผลมันก็จะไม่เกิด พอผลไม่เกิดความสงสัยมันก็ยิ่งมีมากขึ้นไปตามลำดำับจนในที่สุดมันก็อาจจะน้มเลิกการปฏิบัติไปเลยก็ได้ <c oughs> แต่ถ้ามีความเชื่อมีความมั่นใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงและการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะได้รับผลจริงๆแต่ต้องมีความเพียรพยายามความอดทนไม่ใช่ทาเพียงครั้งสองครั้งแล้ว ก็หว yeah. <Okay. S 2> ังว hey, ่าจะเกิดผลขึ้นมาเลยก็จะเพียรพยายามทำไปเรื่อยๆทำบ้างทำมากบ้างทำน้อยบ้างแต่ทำไม่หยุดแล้ววันใดวันหนึ่งก็อาจจะได้สัมผัสกับผลที่จะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติเมื่อได้เห็นผลแล้วทีนี้ความสงสัยก็จะหมดไปมีแต่ความศรัทธาเต็มร้อย มีความยินดีฉันทะที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมให้เพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ<ม>ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงทรงํากำหนดวันพระให้ศรัทธาญาติโยมได้อยู่การทำงานแล้วเอาเวลามาฟังเทศฟังธรรมวันพระนี่เราเรียกว่าวันธรรมสวัสดิะวันฟังธรรมวันฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ฟังประวัติของพระพุทธเจ้าฟังประวัติของพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ปลูกฝังศรัทธาให้มีความแน่วแน่มั่นคงในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิด <c oughs> นิวรันคือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อันนี้คือข้อที่หนึ่งของอุปสรรคที่จะฝังกัน้นการปฏิบัติ ไม่ให้ปฏิบัติได้อย่างราบรื่นข้อที่สองก็คือความยินดีหรือความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสพุทธะปกติของผู้ปฏิบัตินี้ผู้ปฏิบัติเริ่มปฏิบัติใหม่นี้จะมีกิเลสตัวนี้อยู่ในใจของทุกคนชอบหาความสุขจากการดูการฟังดูภาพยนตร์ฟังเพลง ชอบกินชอบดื่มอะไรต่างๆเป็นต้นแ้ามีความยินดีเหล่านี้มันก็จะทำให้ไม่มีความอยากที่จะไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมวิธีที่จะแก้ความอยากเหล่านี้ก็คือต้องถือศีลนี่คำว่าคือถือศีลแปดศีล <c oughs> แปดนี้มีส่วนเครื่องหนึ่งนี้จะเป็นการห้ามไม่ให้เสกลูกเสียงกินรดนั่นเอง เช่นศีลข้อสามถ้าถือศีนห้านี้ยังสามารถร่วมเพศกับคู่ครองของตนได้อยู่แต่ถ้าถือสินแปดก็จะไม่มีการร่วมเพศกันแล้วก็ไม่ให้มีการหาความสุขจากการกินการดื่มตามความอยากอนุญาตให้กินให้ดื่มได้พอประมาณเพื่อเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ไม่ให้มี แล้วก็ไม่ให้มีเบลล่งเวลาให้กินได้ไม่เกินเชี่ยงวันไปเรื่องเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายด้วยอาหารและเครื่องดืง่มหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วก็ให้งดการหาความสุขจากการกินการดื่มต่างๆแล้วสินข้อหกก็ห้ามศิลข้อเจ็ดก็ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงร้องราทําเพลง มโหรสพบันเทิงต่างๆแล้วก็ไม่หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภรร์ที่สวยงามวิจิตรพิสดารหรือด้วยเครื่องสมางต่างๆน้ำมันน้ำหอมเป็นต้นทำเผ่าทำผมอันนี้มันเป็นการกามมฉันทะความความยินดีความชอบการในเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แล้วก็ให้ถือศีลข้อแปดคือไม่ให้นอนมากเกินไปถ้านอนมากแล้วมันจะเกิดความเกลียดค้านยิ่งนอนมากยิ่งง่วงนอนมากใหญ่ยิ่งขี้เกียจมากขึ้นให้นอนพอประมาณพอต่อความต้องการของร่างกายด้วยการนอนบนพื้นแข็งๆปูผ้าปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อย่านอนบนฟูกหนาๆเพราะฟูก้นาะมันจะสุกจะสบาย เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนมันผูกหนาๆนนแล้วมันเกิดความสบายก็เลยไม่อยากจะลุกขึ้นมาก็จะนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมง น, นี่คือการมฉานทะต้องแก้ด้วยการรักษาศีลแปดนอกจากการรักษาศีลแปดแล้วถ้าอยากจะให้มันมันดีขึ้นกว่า ก็คือต้องไปปีกวิเวกไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่าไปอยู่กับคนที่เขาไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเขาก็ดูหนังเดี๋ยวก็ฟังเพลง <c oughs> เดี๋ยวเขก็กินอาหาร <c oughs> ดื่มเครื่องดื่มมีสารพัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางกา ร, รถ้าเราอยู่ใกล้เขา <c oughs> เห็นเขาทนะําแล้วเราก็ความอยากในใจมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้พอเกิดความอยากแล้ว ความตั้งใจที่จะนั่งสมาธิก็อาจจะล้มเหลวไป<ม>ถ้าอยากจะนั่งสมาธิเราต้องไปอยู่ที่ไม่มีคนที่ถือคนที่ไม่ถือศีลแปดเช่นไปอยู่ตามวัดปฏิบัติธรรมนี้คนที่อยู่ในวัดปฏิบัติธรรมนี้จะถือศีลแปดด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครกินข้าวหลังจากเที่ยงวันไปแล้วมไม่มีใครฟังเพลงไม่มีใครดูหนังมไม่มีใครแต่งตัวสวยๆงามงาม มีแต่ทากิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งฟังทมนั่งสมาธิเดินจงกรมต้องไปหาสถานที่ที่สงบวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้พวกรูปเสียงกิจ แ, แล้วมันจะมันจะยั่วใจขึ้นมายั่วยวนกวนใจพอได้ยินเสียงเพลงแล้วมันก็อดที่อยากจะฟังไม่ได้ พอเห็นภาพายนตร์ที่เขาดูกันก็อยากจะดูขึ้นมามันต้องพยายามอยู่ห่างไกลสิ่งเหล่านี้ถ้าเราต้องการที่จะกาจัดการมฉันทะ <c oughs> คือความยิ น, ยนดีความชอบเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้ <c oughs> ถึงแม้จะอยู่ใกล้อาจจะเห็นเขากินแต่เราถือศี 8, แลแปดเราก็ต้องบังคับใจห้ามใจว่าเรากินไม่ได้เรากินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ได้ เราต้อมีทั้งสองชั้นมีทั้งศีลมีทั้งการไปปีกวิเวก <c oughs> ไปอยู่ที่สถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ <c oughs> แล้วนิวรณ์ตัวนี้ก็จะไม่เกิดการมาฉันทะความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสข้อที่สามก็คือความโกรธความโกรธนีเ้เราบางครั้งอาจจะไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ขึ้นมา ทำงานทําการหรือมีอุบัติมีเหตุอะไรที่อาจจะทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกันแล้วทําให้เกิดความโกรธขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วก็ตามแต่มันความโกรธมันก็ยังอาจจะค้างค้างอยู่ในใจได้แล้วเวลาจะมานั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้ถ้ามีความโกรธแค้นยังยังคู่กุนอยู่ในใจนะ วิธีที่จะทําให้เราสามารถที่กําจัดความโกรธได้ <c oughs> ก็คือท่านบอกให้ใช้ความเมตตาคือให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกัน mm hmm. กรรมย่อมเราอะเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวร mm hmm. เวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรยิ่งจองเวรก็ยิ่งเป็นเวรก็ ย, ยิ่งต่อไปยาวเหยียด เขาทำร้ายเราเราก็กลับไปทำร้ายเขาเขาด่าเราเราก็กลับไปด่าเขาอย่างนี้เดี๋ยวเขา ก, กลับมาทำต่อไม่มีสิ้นสุดนั้นเราต้องระ ง, งับต้องหยุดยอมหยุดเย็ยนยอมแพ้แพ้เป็นพระชนะเป็นมารคิดอย่างนี้พอแพ้แล้วจะเป็นพระก็คือจะเป็นผู้สงบถ้าเราแพ้เรายอมแพ้แล้วใจเราก็จะสงบใจเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปสนใจ เขาจะดีจะช่วอย่างไรก็ยกให้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไปเขาทําดีเขาก็ได้ดีเองเขาทําชั่วเดี๋ยวเขาก็ได้รับผลชั่วของเขาเองเราไม่ต้องไปคิดทําร้ายเขาไม่ต้องไปร้างแค้นให้อภัยไปการให้อภัยนี้เราได้รับประโยชน์มากกว่าเขาเราได้ความสงบกลับคืนมาเขาก็เพียงแต่ปลอดภัยจากการจองเวรจองกรรมของเราเท่านั้นเอง ดังนั้นให้เราใช้หลักเมตตาเวลาที่เราโกรธแค้นกดเครื่องครยก็คิดว่าอย่างน้อยเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็หมดไปแล้วเราจะเอามาคิดอยู่ในใจสร้างความทุกข์ร้อนให้กับใจเราทําไมเราสร้างนิวรณ์ให้กับใจเราทําไมเราสร้างอุปสรรคในการที่เราจะาไปปฏิบัติธรรมทาไม พอเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็ให้อภัยเขาหรออย่างน้อยถ้าไม่ไม่ให้อภัยก็นืมพยายามลืมไปเสียอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากโกรธเวลาที่เรานึกถึงความโกรธก็พยายามใช้สติ บ, บริกรรมพุทโธพุทโธหากข้ามจิตใจไปเอเดี๋ยวสักพักความโกรธนั่นก็จะหายไปแล้วเราก็จะสามารถกลับมานั่งสมาธิต่ตอได้ มันต้องใช้ความเมตตาให้อภัย uh huh. ไม่จองเวรจองกรรมกัน uh huh. ไม่คิดเสียว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเหมือนลิ้นกับฟัน uh huh. บางครั้งบางคราวลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันก็มีการขบกันได้กัดกันได้ uh huh. แล้วก็เกิดความเสียหายแล้วมันก็ผ่านไป uh huh. ไม่ต้องเอามาคิดข้างๆอยู่ในใจ uh huh. อย่าไปคิดร้างแค้นเขาเพราะเราถ้าเรากลับไปทําร้ายเขาเดียวเขาก็จะกลับมาทําร้ายเราอีกพอเราไปทำร้ายเขาแล้วใจเราก็แทนที่จะสงบกับวุ่นขึ้นมาอีกกับวิตกกังวลกับการร้างแค้นของเขาอีกแต่ถ้าเราให้อภัยปับ๊บใจเราก็ไม่มีความวิตกว่าเขาจะกลับมาร้างแค้นเรามาทําอะไรเราเพราะเราหยุดแล้วเราไม่ไปทําอะไรกับเขาแล้วเรายอมแล้วเราหยุดแล้วยอมแพ้แพ้เป็นพระหยุดหยุดการ จ อ, จองเวรจองกรรมแล้วผลที่จะตามมาก็คือความเย็นของใจใจก็เย็นสบายทาให้สามารถกลับมานั่งสมาธิได้อย่างเป็นปกตินี่ก็คือข้อที่ข้อที่สามกามาฉันทะ<ม>การตัณหาสงสยัยความโกรธข้อต่อมาข้อที่สี่ก็คือความม่วงเหงาหานอน อ่างง่วงเหงาหานอนอันนี้ก็เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารมากเกินไปผู้ปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่จาเป็นจะต้องรักษาถือศีลแปดกันเพื่อจะได้รับประทานอาหารพอประมาณพอให้ร่องกายอยู่ได้ก็พอไม่ให้รับประทานอาหารเพื่อให้เพื่อเป็นความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารพอที่จะทำให้ระ ง, งับความหิวได้ก็พอ แล้วก็ไม่ต้องรับประทานหลายหลายหลหนวันละครั้งสองครั้งก็พอแล้วแล้วก็ไม่เกินเที่ยงวันไปจะนาจะกินมื้อเช้าแล้วก็กินมือม้อกลางวันหลังจากนั้นก็จะหยุดกินอาหารจะดื่มแต่น้ำเปล่ า, า, าเพราะถ้าไปดื่มน้ำที่มีกลิ่นมีรสก็ยังเป็นการมาฉันทะาอยู่ความอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดื่มอยู่ นั้นก็ให้ดื่มน้ําปล่าๆหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเพื่อที่จะได้ไม่มีนิวรณ์มาขัดขวางการเจริญของการปฏิบัติธรรมของเราก็ต้ญญองรู้จักประมาณในรัรบการ ร, รับประทานอาหารบางท่านก็ทานกินสองถือศีลแปดไม่กินหลังเที่ยงวันแต่กินสองมื้อก็ยังเกิดความง่วงขึ้นมาได้เพราะคิดเพราะกินมากเกินไป ก็อาจจะตัดให้เหลือให้กินมื้อเดียวเป็นต้นถ้ากินมื้อเดียวยังง่วงอยู่ก็อาจจะต้องอดอดมื้อกินอดวันกินวันไปอดวันนี้กินพรุ่งนี้เป็นต้นพยายามลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงให้มันมีความหิวอยู่ในร่างกายเนี่ยมันกระตุ้นทำให้ไม่ง่วงนอนหรือท่านที่อยู่ใกล้สถานที่ที่น่ากลัวก็ลองไป ไปนั่งสมาธิในที่ที่น่ากลัวเช่นตามป่าช้าเป็นต้นมันก็จะช่วยทําให้ความง่วงหง่วงเหงาห า, หานอนนี้หายไปได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาว่าเหมาะสมกับตนอย่างไรอันนี้ไม่มีใครบังคับกันนะการปฏิบัตินี้อยู่ที่ความปรารถนาว่ามีมากมีน้อยในการที่อยากจะได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นได้ผลจากการปฏิบัตินะก็ ถ้ามีความปรารตนาแรงก็จะกล้าที่จะปฏิบัติข้อที่ยากๆขึ้นให้มัให้มีมากขึ้นเช่นแ mm hmm. ทนที่จะกินสองมื้อก็กินมื้อเดียวอย่างนี้เป็นตน้นแล้วกินมื้อเดียวแล้วยังง่วงอยู่ก็กินวันเว้นวันไปก็ได้อ น, นี่คือวิธีแก้วความง่วงเหงาหงานอน และข้อสุดท้ายคือความฟุง้งซ่านเวลานั่งสมาธิทำไมเรานั่งให้มันจิตนิ่งๆไม่คิดอะไรไม่ได้เรานั่งแล้วก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราไม่เจริญสติเราไม่คอยควบคุมความคิดนั่นเองถ้าเราเจริญสติควบคุมบังคับใจไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ด้วยการผูกใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ใด อ, อารมณ์หนึ่ง ที่เรเรียกว่ากรรมฐานเช่นจะผูกไว้กับคํา บ, บริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ได้เราต้องเจริญสติบริกรรมพุโทโธไปทั้งวันเลยไม่ใช่ไม่ใช่จะมาทําเฉพาะแต่เวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นถ้าเป็นไปได้ต้องทําตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมา พ, mm. พอเราจะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้คํา บ, บริกรรมพุโทโธพุธโทโธหยุด ม, มัน mm. Mm. ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วใจจะไม่ฟุ้งซ่าน ถ้ามีพุโทโธคอยควบคุมความคิดอยู่พอรู้ว่าพอเผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ที่เราไม่จำเป็นจะต้องคิดเราก็ใช้คําบริการพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่มันถ้าคอยควบคุมความคิดได้ตลอดทั้งวันเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิมันจะไม่ฟุง้งซ่านพอเรามานั่งสมาธิเราก็สามารถกําหนดให้มันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ น, นี่ก็วิธีแก้ความฟุ้งซ่านก็คือต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่ อ, อ, อยๆจะใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ได้จะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ให้ดูว่าร่างกายตอนนี้อยู่ในอริยาบทใดกำลังทำอะไรอยู่ให้อยู่กับร่างกายไปทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับให้มีสติสัมปชัญญะให้มีสติอย่างต่อเนื่อง แล้วเวลามานั่งสมาธิใจจะได้ไม่ลอยไปคิดถึงคนนั้นคินี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับลมก็จะอยู่กับลมให้อยู่กับพุโทโธก็จะอยู่กับพุโทโธไปแล้วถ้าอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธได้เดี๋ยวใจก็นิ่งเข้าสู่ความสงบได้นี่คือวิธีนี่คืออุปสรรคที่เรียกว่านิวรณ์ห้าประการด้วยกันที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติได้ ข้อใดข้อหนึ่งในบางในเวลาใดเวลาหนึ่งหรืออาจจะเกิดขึ้นหลายข้อด้วยก็ได้ก็ต้องรู้จักวิธีแก้มแก้นิวรณ์ด้วยการวิธีการต่างๆที่ได้แสดงมาให้ท่านทั้งหลายก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วก็จะจะเห็นผลจะได้รับประโยชน์แต่เราต้องเป็นผู้ที่ยอมเสียสละความสุขทาง ทางกามาลมไปถ้าเราต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เราต้องพยายามตัดการมาสุขไปถ้าเรายังเสียดายการมาสุขอยู่เราจะไม่สามารถที่จะกำจัดนิวรเช่นการมาฉันทะไดอออะ้อันนี้ก็ต้องลองเอาไปปฏิบัติดูถ้าเราอยากจะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็คือความสงบ ที่เป็นความสุขที่เหนืยกว่ความสุขทั้งปวงถ้าได้เจอความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี่จะมีความประทับใจจะไม่จะรู้สึกว่าจะไม่อยากจะหาความสุขแบบเดิมอีกต่อไปเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันยิ่งใหญ่กว่ามันมีน้าหนักมากกว่ามันให้ความอิ่มความพอมากกว่าและเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดเพราะเรา ถ้าเราสร้างมันขึ้นมาได้แล้วเราก็จะสามารถรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ไม่ต้องใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองขอให้เรามีสติควบคุมจิตใจให้สงบคอยกำจัดนิวรณ์ต่างๆที่มาเป็นอุปสรรคให้ได้เท่านั้นเองแล้วใจเราก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆอนนี้ก็คือเรื่องของนิวรห้า ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ในส่วนหแรกของการแสดงธรรมก็หมดเวลาลงพอดีดังนั้นขั้นต่อไปเราก็จะมา <c oughs> นั่งสมาธิกันมาทําใจให้สงบ ก, กันการนั่งสมาธินี้เป้าหมายหลักก็คือทําใจให้นิ่งสงบไม่ได้มีเป้าหมายให้เราไปมีหูทิพตาที่เห็นนรกเห็นสวรรค์ ราเลิกชาติได้อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับบางคนบางท่านแต่ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเท่ากับความสงบของใจการเห็นหนูน่นเห็นนี่นี่ไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอไม่มีโอเบคาเราต้องการความสุขความอิ่มความพอ เราต้องการอุเบกขาที่จะทำให้ใจเรานี้วางเฉยได้เวลาที่มีอะไรมากระทบกับจิตใจหลังจากที่ออกจากสมาธิมาเราจะรู้สึกเฉยเฉยได้เมื่อก่อนนี้พอใครพูดไม่ดีหน่อยใจก็ร้อนขึ้นมาแต่พอเราได้นั่งสมาธิมีอุเบกขาแล้วเวลาใครมาพูดอะไรไม่ดีเราก็ฟังไว้แล้วก็เฉยเฉยไม่มีอารมณ์ตอบโต้ด้วยไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงตอบโต้ Mm hmm. นี่คือเป้าหมายหลักของการนั่งสมาธิต้องการให้ใจนิ่งสงบแล้วความนิ่งสงบของใจนี้จะผลิตความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็จะทำให้เกิดความวางเฉยใจจะไม่มีอารมณ์ปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับใจใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉย ไม่ได้ยินดีไม่ได้ดีใจไปกับคำชมของใครไม่ได้ไปเสียใจกับคำด่าของใครมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเรามีความสงบแล้วเราไม่ไม่ไม่วุ่นวายไปกับใครนี่คือเป้าหมายหลักเพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธินี้อย่าไปสนใจอะไรให้ผูกใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวถ้าใจไม่อยู่กับอารมณ์เดียวนี้ความสงบนิ่งจะไม่เกิด และเวลาที่นั่งผูกใจอยู่กับอารมณ์เดียวถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่ง ก, ก็อย่าไปสนใจให้ให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้เช่นถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็ให้อยู่กับพุทโธไปไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งอาจจะมีเสียงมีรูปมีกลิ่นมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปถ้าดูลมก็ให้ดูลมไป ถ้าดูลมยังไม่ได้พุทโธยังไม่ได้ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนบางทีจิตเรายังหยาบอยู่จิตเรายังคิดมากอยู่สติยังมีไม่ค่อยมากก็าอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนสวดให้พักๆหนึ่งแล้วใจก็จะเริ่มเบาลงเย็นลงสบายขึ้นสติมีมากขึ้นแล้วเราค่อยๆมาใช้พุทโธหรือใช้การดูลมหายใจต่อไป นี่คือวิธีการของการฝึกสติฝึกนั่งสมาธิต้องนั่งแล้วต้องมีสติอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะใช้การดูลมหายใจก็ได้บางท่านก็ดูลมหายใจที่หน้าท้องก็ได้หายใจเข้าก็พองหายใจออกก็ยุบที่เราเรียกว่ายุบหนอพองหนอก็เป็นเรื่องของการดูลมแต่ดูที่หน้าท้อง ของท่านก็ดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือว่าตอนนี้ลมเข้าลมออกมันจะสัมผัสที่ปลายจมูกให้รับรู้ได้ว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าลมกำลังออกให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปควบคุม บ, บังคับให้หายใจลึกๆหายใจยาวๆปล่อยให้ลมหายใจตามธรรมชาติเหมือนเวลาอื่นเนี้ยตอนนี้เราก็ไม่ได้บังคับลมก็ปล่อยมันหายใจไปเรื่อยๆตามตามธรรมชาติของมันเราเบยงแต่อาศัยลมเป็นที่ผูกใจไว้เท่านั้นเอง ก็ดูไปเฉยๆให้รู้ไปเฉยๆลมหยาบ ก, ก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอเียดลมสั้นก็รู้ว่าสาั้นลมยาว ก, ก็รู้ว่ายาวลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องตื่นเต้นตกใจก็รู้ต่อไปรู้อยู่ที่จุดเดียวเพราะถ้าลมหายไปแล้วนั่นแสดงว่าจิตมันเริ่มละเอียดมากมันมนจะเข้าสู่สมาธิได้แล้วไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยๆต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมา นี่นคือวิธีการของการฝึกสมาธิาที่เราจะมาทำกันหลังจากที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมมาแล้วตอนนี้ก็ขอเรามาเจริญสติดูลมหายใจก็ได้พุทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้แต่อย่านั่งเฉยๆต้องมีอะไรให้จิตทำไม่งั้นแล้วจิตมันจะดิ้นมันจะไม่มีความสุขจะทนนั่งต่อไปไม่ได้ก็ขอให้เรามีสติไปอยู่กับอารมณ์ จะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้นอกเหนือจากที่ได้พูดมานี้ถ้าเราใช้อย่างอื่นก็ใช้ได้แล้วแต่เราบางคนจะนึกถึงลูกแก้วก็ได้บางคนจะนึกเขาว่าคำว่าสัมมาและหังก็ได้ใช้ได้เหมือนกันเป็นอุบายวิธีที่จะผูกใจไม่ให้ลอยไปเป็นเป็นอุบายวิธีที่จะผูกใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาฉะนั้นก็ขอให้ท่านพยายามจนสติอยู่กับอารมณ์ต่อไป เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็หมดพอดีอันดับต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปูราปาริปุเรนติสากหลังเอวะเมวะอิโตชินังเตตานังอปุปกาปติอิจิตังปจิตังสุนหังคิดเมอว่าชนิดสตุ สัพเพปุลินทุสังตปาจังโทปนะราสุยาธาิจุติราสุยาาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมัตถาวัตถวันตาลายุสุขิตายุตวะ อาทิวาธานาสิลิตะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธามาวะตันติอายุวันโอสุขังอาลังช่วงต่อที น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กาบเรียนครับ อ, อาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติสองร้อยสามสิบหกท่าน ทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติสองร้อยหกสิบสามท่านทางยูทู u ด e อกตอรวีสามสิบเก้าท่านทางวิทยุออนไลน์หกท่านทางขับอุ้งห้าท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยท่านรวมทั้งหมดห4ร้อยสี่สิบเก้าท่านครับ กับในมัธการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคําถามฝากถามมาว่าข้อที่หนึ่งหมาแมวมีขันห้าเหมือนมนุษย์ไหมคะโยมคิดเองว่าหมาแมวน่าจะมีแค่สี่ขันเพราะไม่มีสังขารประดับยมเข้าใจถูกไหมคะไม่ถูกอะ่ะมีห้าขันเหมือนกันร่างกายก็เป็นรู ป, ประขันนิทานสัญญาสังขารเขาก็มีหมาเขาคิดเป็นไม่ได้ใช่ ที่ฐานกินนี่ใชเป็นส่วนใหญ่มันยังไม่รู้จักมันคิดโดยทางเรื่องสูงไม่เป็นที่แต่เรื่องการการอยู่รอดวันนี้จะไปหาที่ไปหาอะไรกินดีไปไปนอนกับใครดีอะไรนี้มันจะคิดแค่นี้แต่เป็นเรื่องที่จะไปคิดว่าไปเรียนหนังสือไปหาความรู้นี่มันไ ม, ไม่ไม่อยู่ในระดับสติปัญญาของของสัตว์ที่จะทำจ้าะ ข้อข้อที่สองถือศีลแปดทาน้ําหักใบเขียวสกัดแบบไม่มีเส้นใหญ่ยังจะเป็นน้ําปานะได้ไหมคะน้ำปานะรู้สึกว่าท่านบอกต้องเป็นคลายมันจากผ ล, ลไม้ที่ไม่มีขนาดไม่ใหญ่เกินกํำปั้นอะไรที่เกินกำปั้นเช่นส้มโอสับประรดมะละกออันนี้ไม่ถือว่าเป็นน้าผ ล, ลไม้นะต้องเป็นพวกอะมะนาว ส้มอังกุนแอปเปิล Apple, อะไรพวกนี้ยังถือว่าเป็นน้ำผลไม้ได้แต่เวลามาคั้นน้ำก็ต้องกองก า, กากออกให้หมดไม่ให้มีเนื้อติดให้ดื่มแต่น้ำเปล่าทางที่ดีที่สุดถ้าไม่ไม่มีอะไรถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่มน้ำเปล่าไปก็พอไม่ต้องยุ่งยากอันนี้เขามีไว้สำหรับเวลาไม่สบายเวลาท้องเสียหรืออะไรอย่างนี้ก็อาศัายพวกนี้มาช่วยบรรเทาหน่อย แต่ถ้าร่างกายเป็นปกติก็อย่าไปสนใจกับเรื่องเหล่านี้เลยมันจะเสียเวลากับการปฏิบัติมากกว่าเนืองเวลาหิวน้ําก็ดื่มน้ําเพราะว่าน้าที่มีสีมีกลิ่นมีรสมันก็เป็นกิเลสเองอะมีรูปเสียงกลิ่นรสของน้ำํำเราก็ไปติดรูปเสียงกลิ่นรสแทนที่ยาวน้ําอย่างเดียวร่างกายไม่ต้องการน้ําอย่างเดียวแต่กิเลสมันต้องการรูปเสียงกลิ่นรสของน้ำํำเราก็ไปสรรหาน้นําปานะหลากหลายอย่างด้วยกัรน้ำดื่มเป็น ถ้าไม่จำเป็นถ้าต้องการจะปางกี่เดชก็อย่าไปเดืมมันดีกว่าถ้ากลัวหิวก็อย่าไปถือสินแปดให้เสียเวลามนเรื่องเค่ะข้อสามถ้าการไปนั่งสมาธิในป่าช้าตอนกลางคืนเป็นไปได้ไหมคะว่าจะโดนมนต์ดำผีมาเกาะหรือโดนของแบบลมเพลมพัดค่ะอ๋อต้องไปทดสอบดูถามเราไม่ได้หรอ ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะแต่จะรู้ก็ต้องไปพิสูจน์ดูสินะถางคนอื่นยังไงก็ไม่รู้ต้องตัวเองต้องไปพิสูจน์ดูถึงจะรู้ว่ามีหรือไม่มีเขามีคำพูดว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงผีจริงก็คือดวงวิญญาณของคนตายอย่างพวกเราเวลาตายไปใจของเราก็กลายเป็นดวงวิญญาณไปเราจะไปหลอกใครอป่ะเราไม่ไปหลอกใครเราก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปของเรา ทำบาปก็ไปเกิดนายบายไปเป็นเปรตไปเป็นผีถ้าทําบุญก็ไปเป็นเทวดาเป็นกายทิพย์อันนี้ผีจริงผีจริงพวกนี้เขาไม่มาหลอกเราให้เสียเวลาเราไม่ไปหลอกใครหรอกเวลาเราตายไปแล้วใช่ไหมไอ้ผีหลอกก็คือใจเราเนี่ยหลอกปรุงแต่งขึ้นมาเองพอได้ยินเสียงหน่อยก็ผีมาแล้วพอเห็นอะไรเคลื่อนไหวหน่อยก็ผีมาแล้วอันนี้แหละเป็นผีหลอกไม่ใช่ผีจริงผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริง ส่นมากจะเป็นที่หนูไปนั่งมามีหมาค่ะเป็นเสียงหมาเดินเกาแค่แล้วพอเข้าใจว่าเป็นผีก็มีผ้าอยู่เรื่อหนึ่งท่านไปนั่งที่นั่งสมาธิในป่าชาใกล้ๆที่เขาทิ้งศพไว้แล้วนั่งไปแล้วทักพักได้ยินเสียงแกลกแกลอจากที่ที่ซากศพอยู่มันตอนน้องก็กลัวแต่มันก็เสียงมันก็ไม่หายแกลกแกลอยู่นั่น อันนี้เสร็แล้วต้องทําใจกล้าๆเอาไปดูสถานการมันเป็นอะไรเดินไปฉายไฟไปพอไปฉายไปที่น้านหมากําลังคุยเคียอไม่มีหรอกมันผีไม่มีหรอกผีไอ้ที่เป็นผีมันเราใจคิดขึ้นมาเองปรุงแต่งขึ้นมาเองแต่ผีจริงที่มีเช่นดวงวิญญาณทั้งหลายเขาก็ไปรับผลบุญผลบาปของเขาเขาไม่มาเสียเวลามาหลอกเราไม่มีเวลามาหลอกเราได้ จาค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะนักคุติลูกถูกทำร้ายทางวาจามาแปปีโดยการใส่ร้ายป้ายสีโดยเราไม่ตอบโต้อันใดาอาศัยพุทธวิถีของพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่หยุดทำร้ายเลยเหตุนี้เพราะเคยจองเวรกันมาหลายสิบชาติใช่ไหมคะแล้วควรทำอย่างไรกับเรื่องนี้ รับกรรมต่อไปเดี๋ยวมันก็หมดเองถึงเวลามันจะหมดมันก็หยุดไปเองเหมือนฝนตกอ่ะถ้าฝนมันหมดเดี๋ยวมันก็หยุดตกเองถ้ามันยังมีอยู่มันก็ตกของมันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่รับผลก็รับไปทำใจไว้บูเบขาทำใจให้นิ่งคิดว่าเราเคยทำกรรมอันใดไว้เราก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเราสามารถรับผลได้โดยที่ไม่วุ่นวายใจใจเราสงบได้ ถ้าใจเราไม่ไปต่อต้านถ้าใจเราไม่ไปอยากให้มันหมดปล่อยมันตกไปเรื่อยๆฝนมันจะตกมีมากมีน้อยก็ปล่อยมันตกไปเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดเองอะเวรกรรมต่างๆมันก็เหมือนกันเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็หมดไป ย, ยังไม่มีคำถามเขามาเจ้าค่ะหนีไม่พ้นแม้กระทั่งพระโมคคะานก็ยังไม่หนีเลยพระโมกคะลาก็รู้ว่าจะต้องตายท่าน ถ้าท่านมีฤทธิ์ถ้าท่านใช้ฤทธิ์กหลบหนีได้แต่ถ้าท่านบอกหนีว่านี้เียพวกนี้มันก็ตามมาใหม่กรรมนี้มันจะตามเราไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดเมื่อหมดแล้วมันก็จะไม่มีอะไรมาตามเลยต่รไปดังนั้นต้องยอมรับไม่เหมือนทางโลกทำผิดกฎหมายแล้วยังไม่ต้องติดคุกได้แต่ทางธรรมนี้มันไม่มีการหนีหนีไม่พ้น ช้าหรือเร็วท่านเองมากหรือน้อยแล้วต้องเกิดขึ้นแล้วพยายามมาฝึกจิตฝึกใจมาเตรียมรับกรรมดีกว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องเจอพระเทวทันม า, มาจองเวรจองกรรมมาพยายามฆ่าถึงสามครั้งด้วยกันแต่บา ร, รมีของพระพุทธเจ้านี้ท่านมีมีบุญสามารถปกป้องท่านได้นแล้วเรามาสร้างบุญบา ร, รมีกันดีกว่าแล้วก็ เวลามีเวณีกรรมบุญบา ร, รมีจะมาช่วยทำให้มันเบารือทำให้มันไม่รุนแรงมันเหมือนมีเกราะเกราะที่เราใส่เวลาถูกเขายิงมันก็ไม่เข้าเข้าไปในในร่างกายถ้าเรามีบุญมีเรมีมันก็จะป้องกันไม่ให้มันเข้าไปในใจเราใจเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเราก็จะเฉยเฉยได้ฉนันตอนนี้มีเวลาว่างก็พยายามสร้างบา ร, รมีสร้างเมตตาบา ร, รมี เกิดข้ายาพายอย่าไปกดเคียนกดแขนกดเืองใครอย่าไปอาฆาตพยาบาทใครคิดว่าเขาเป็นเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องเราก็แล้วกัน เ, เป็นญาติกันมาเกิดเวีนว่ายตายเกิดชาติก่อนๆเราอาจจะเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันมาก็ได้มาเจอกันชาตินี้ก็ อ, อ, อย่าไปทําร้ายกันเลยเ อ, อ, อย่าเลี่ยงการทําร้ายกันนั่นจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกัน เป็นกรรมเก่าเดี๋ยวมันก็จะได้หมดไปได้ยังไม่มีคำถามอะไรเลยหนหนูจะถามเจ้าค่ะอาจารย์ว่าถ้าเกิดเราเราตั้งใจไปปฏิบัติธรรมปีกวิเวทีนี้อย่างบางคนนะคะเขาจะกังวลว่าที่ตรงนี้ไม่ปลอดภยัยตรงนั้นไม่ปลอดภยัยแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าถ้าเกิด เราเอาความตายเข้าสู้ในการปฏิบัติแบบนี้ผิดหรือถูกต้องเจ้าคะในความคิดแบบนี้คิดคนที่ตายเขาตายที่ปลอดภัยเยะ้ะแยะไปโรงพยาบาลปลอดภัยนะก็ยังตายกันพนเราถึงเวลาตายมันไม่เลือกที่หรอกมันตายได้ทุกแห่งก็ผลแม้แต่ในที่ที่มีทหารล้อมรอบคอยปกป้องตลอดยีิบสี่ชั่วโมงมันก็ตายได้คนเราถึงเวลาจะตาย เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวตายหรอกหนีไม่พ้นความตายถึงเวลามันจะตายไปหลบซ่อนที่ไหนมันก็ตายได้ทั้งนั้นงั้นอย่าไปกลัวตายมากจนเกินไปแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังที่ไหนที่มันมันอันตรายจริงๆก็เราก็อย่าไปเราไม่ต้องการที่จะไปฆ่าตัวตายพวกง่ายๆเราต้องการจะไปฆ่ากิเลสกิเลสก็คือความกลัวตายงั้น จะฆ่ากิเลสคือความกลัวตายแล้วต้องไปอยู่ที่ที่มันน่ากลัวเอามันมีที่น่ากลัวกิเลสคือความกลัวตายมันก็จะโผล่ขึ้นมาเอามันโผล่ขึ้นมาเราว่าฆ่ามันด้วยปัญญาว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องตายวันใดวันหนึ่งถ้ามันจะตายวันนี้ก็ยอมตายเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เจอของจริงบางทีอาจจะได้คิดว่าจะมีเสือมีอะไรมีสัตว์จะมาทำร้ายเราแต่ไม่ได้เจอตัวเพียงแต่ความกลัวมันเกิดขึ้นแล้ว ถ้าเราถ้าเราปรงได้เนเราก็จะหายกลัวแล้วต่อไปหลังจากนั้นเราจะไม่กลัวตายต่อไปเราไม่ได้ไปฆ่าตัวตายนั้นต้องระวังไม่ใช่ไปหาที่ที่ไปต้องตายแน่ๆไปที่เขามีสงคารางวันนี้ตายแน่ๆ น, นะแต่ไปที่เราคิดว่าอาจจะมีภยัยแต่ยังไม่แน่ห้าสิบห้าสิบแล้วเวลาเกิดความรู้สึกว่ามีภัยขึ้นมาแล้วเกิดความกลัวแล้วต้องการกระตุน้นดึงให้ความกลัวตายนี้ขึ้นมาให้ได้ พอขึ้นมาแล้วเราก็ต้องฆ่ามันให้ได้ฆ่ามันด้วยการยอมตายถ้ายอมตายปับความกลัวตายก็จะหายไปถ้ายัางใช้ปรรัญญายัางฆ่ายัางยังฆ่ามันไม่ได้ยังยอมตายอยอมตายไม่ได้ก็ใช้พุโทโธพุโทโธทำใจให้สงบไปก่อน บ, บังคลับจะให้พุโทโธพุโทโธให้ที่ยิบไปเลยอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่เราคิดว่าจะทําให้เราตายแล้วเดี๋ยวจิตสงบก็หายกลัวแต่ไม่หายตลอด ยาคาวหน้าเจออีกก็กลัวได้ถ้าไม่ยอมตายถ้าไม่ยอมรับความจริงว่าร่างกายมันต้องตายเป็นของไม่ที่ยังเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเจ้าค่ะมีถามเขามาว่าแล้วคนพวกที่โดนคุณใส่มนดำผีอำมีจริงไหมคะพวกคนชอบเล่าเรื่องเหล่านี้จนยมสับสนว่ามีจริงไหมในศาสนาไม่ได้สอนสอนแต่กรรมอย่างเดียวมนดำก็คือบาป มลขาวก็คือบุญถ้ายามสร้างมนมลขาวไว้เยอะๆคือทำบุญเยอะๆมนลดำอย่าไปทำคือความชั่วอย่าไปทำท่านนี้แหละอันนี้ของจริงของแท้คุณสมคุณสายอะไรนี้เป็นของเพลเจอร์ทั้งนั้นแต่ไม่อยากจะไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะเอาไปลบหลู่ซึ่งเราก็ไม่เกี่ยวข้องกับเขาเขาจะเชื่อก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้ๆเราเชื่อตั้แต่กฎแห่งกรรมอันนี้แหละของแท้ของจริง จะบอกทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วจะเป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้แหละพอแล้วเชื่อแค่นี้ก็พอสักค่ะมีถามเข้ามาทาง YouTube ความรักที่เรามีต่อพ่อแม่บางทีซาบซึ้งจนเห็นใจสงสารท่านเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร้องไห้น้ำตาไหล ควรพิจารณาอย่างไรดีให้ไม่ทุกใจมากไปครับถ้าทุกกัปปณะเราท่านก็เหมือนกัน่ก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเกิดมาแล้วทุกคนต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาสนใจอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะค่อยๆยอมรับความจริงแล้วมันก็จะไม่ไม่ทุกใจพระเจ้าทรงสอนให้เราเหมั่นพิจารณาอยู่ทุกวัน เราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา่องพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ไม่ ว, ว่าจะเป็นใครก็ตามพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายตัวเราก็เหมือนกันทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดบ่อยๆแล้วใจมันจะค่อยๆอ่อนลงมันไม่ต่อต้านแล้วมันจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจมันยอมรับ ว, ว่าเป็นเรื่องธรรมดาพยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ ะ, ะ ม, <c oughs> มีจากคุณพุทธังนโมพุทธยายะเจ้าค่ะลูกมีอาการป่วยปวดหัวสมองมานานหลายปีวันนึงคุณใกล้ๆหน่อยไม่ค่อยได้ยินเลยเจ้าค่ะคุณใกล้ๆหน่อยคุณพุทธังนโมพุทธายะเจ้าค่ะลูกมีอาการป่วยปวดหัวสมองมานานหลายปี วันหนึ่งปวดจนไม่ไหวนึกถึงบา ร, รมีหลวงปู่สดจันทโรช่วยก็เบาลงจนหลับไปแล้วฝันว่าท่านมาบอกให้พิมพ์หนังสือส่วนมนทรถวายวัดปากน้ำหนึ่งร้อยเล่มแล้วจะหายยมขอถามว่าเรื่องนี้ยมคิดไปเองหรือท่านหลอกบอกจริงๆคะอ้าวคนเป็นคนเจอมันเองแล้วมาถามเราได้ไงเราพูดไม่ได้หรอกว่าเป็นจริงหรือไม่จริง เพราะมันอาจจะเป็นจริงก็ได้มันอาจจะเป็นความคิดของเราเองก็ได้เห็นเราเป็นผู้ที่สัมผัสเราจะต้องเป็นคนแยกแยะดูว่ามันเป็นอันไหนกันแน่เพราะคนที่มีมีอภิญญาเขาก็สามารถติดต่อตายทิพได้คนที่ตายไปดวงวิญญาณที่ตายไปก็อาจจะมาติดต่อได้แต่คนที่ไม่มีอภิน ญ, ญาก็อาจจะเพ้อเจอคิดไปเองก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้อง เรางรู้ักยยกแยะถ้าไม่แน่ใจก็ก็ฟังหูไว้หูไว้ก่อนไว้รอให้มันปรากฏขึ้นมาให้เราสามารถเห็นชัดว่าเป็นอะไรต่อไปถ้ายังไม่เห็นชัดก็เฉยๆไปก่อนอย่าเพิ่งไม่เชื่ออย่าเพิ่งไปปฏิเสธอืมให้รู้ไว้เฉยๆก็แล้วกันแล้วถ้าอยากจะพิสูจน์ก็ลองทําำหนังสือไ ป, ไ ป, ไ, ปไปพิมพ์แจกดูแล้วดูว่าจะห า, หายหรือเปล่าอืม ทไม่หาจะเรียกว่าไม่ใช่ของจริงแค่ความคิดของเราเองมีใครอยากจะถามให้ในที่นี้ถามได้นะจากคุณเจริญพรมีสุขเจ้าค่ะข อ, อนามสการครับผมเคยบวชแล้วนั่งสมาธิมีเห็นแสงและได้ยิน ในทางไกลๆตรงนี้เขาว่าอะไรครับตอนนี้เป็นคาววาสามารถนั่งสมาธิเห็นแสงทมได้ใช่ไหมครับได้แต่ไม่ให้นั่งให้เห็นแสงหรือเห็นอะไรถ้าเห็นก็อย่าไปสนใจนะมันเป็นของปลอมมันไม่ใช่เป็นของที่จะพาให้เราไปสู่สมาธิได้ให้เราอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปนะอะไรปรากฏขึ้นมาอย่าไปตามรู้เอาตามรู้แล้วเราจะทิ้งพุทโธเราจะทิ้งลม เราก็จะไม่สามารถเข้าสมาธิได้เพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิอย่าไปสนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นมาให้สนใจอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้แล้วจะได้พบกับความสุขที่มาจั์ใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิเจ้าค่ะจากทางยู u ูบ นั่งหายใจธรรมชาติไปสักพักแล้วหายใจไม่ออกลมหายใจสั้นลงอยู่ๆก็กล้าลมหายใจเองตัวสั่นเกร็งจนหมดลมจนร่างกายแน่นไปหมดจนต้องออกจากสมาธิแบบนี้ต้องทำอย่างไรครับถ้าเป็นอาการอย่างนั้นก็ไม่ต้องดูลมกลับมาหาพุทโธแทนหรือสวดมนต์ไปแทนก็ได้เพราะดังนั้นแสดงว่าสติมไม่มีกาลังพอที่จะดูลมได้ การกลับมาหาพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปหรือพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรทรมโมสังโฆไปหัวใจก็จะสง บ, บได้หมดแล้วนะเอาแล้วนะั้งหมดแล้วก็แค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านโยนํเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเพิพเจิตติจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถ <บา S 1> ิด